tham man pa โยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายณโดนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เข้าพรรษาของพระภิกษุ และปีนี้ก็เป็น 84 ปีพรรษาขอญาติโยมทั้งหลายที่ ใกล้ๆบ้านของตนหรือสถานที่โยมมีศรัทธามีความเลื่อมใสณสถานที่ต่างๆก็ไปทําบุญทําบุญเป็นถ้าโยมทําบุญแล้วก็เป็นบุญ ใครทําก็ต้องอยู่คนนั้นอย่างเป็นลูกหลานแต่บุญไม่เคยหลงเจ้าของเจ้าของจะไปทันถึงจะหลงเจ้า เพราะฉะนั้นทำบุญเอาไว้ก่อนที่เรายังมีลมมีชีวิตอยู่เราจะต้องทำเอาไว้มากถ้า ทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้ญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักสร้างบุญสร้างสนสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากอย่างที่อาตมาเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามีทรัพย์มี เมื่อเราตายไปแล้วตึกเหล่านั้นก็ไม่เคยตามใครไปเราตายไปแล้วตึกเหล่านั้นก็ไม่ นักขาวันตาก็มีญาติโยมมารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่ตลอดทั้งปีและปีหนึ่งนั้นก็มีอยู่ปกติอยู่ 2 ที่ในบรรษาแห่งอยู่ที่หนอง แต่ส่วนใหญ่ทุกปีจะวันศาที่หนองบอโตแต่ปีนี้ก็ เอ่อนั่งพูดใน 84 ปีและทําถวายให้กับ กับผู้ที่ญาติ ฉะนั้นโอกาสนี้ญาติโยมที่ต้องการบุญกุศลในการสร้างพระนอนพระใหญ่และในการสร้างโบสถ์ก็ขอเชิญได้ตามที่อาตมาได้ชี้แจงได้บอกกล่าวให้โยมได้ทราบในวันนี้ 8 ตรงกับวันที่ 6 ในเดือนนี้ก็ขออนุญาตโยมว่าใกล้วัด แต่ถ้าแม้มีบุญแล้วก็บุญนั้นก็จะไม่ตามไปใน ยม avez advances in utile than this, while in other Daniels or in Syria time. And so, Mu吗 is Mark on the right statin which gives the light of the park Sai Girishony one day to tramitar Juan Sant vidang our AshELLE to turn on every person that may live in owner gefil necessary for each area, the Columb's 환�, the each day every month, every year. This is the gift for those�� David religious or Deaf 세� ad ท่านได้ชี้แจงท่านได้แนะนําบอกกล่าว เจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้ถือว่าลงทุนน้อยแต่มีกําไรมากไม่เหมือนทําอย่างอื่นอย่างอื่นบางทีลงทุน เขาว่าสะสมบารมีในตัวนี้เกิดมาในชาติต่อไปจะเป็นคนมีความรู้ จะไปใน